เราต่อเมื่อเช้านะฮะสอุปาเทตพรธรรมเลยนะทำที่ควรให้บังเกิดขึ้นทำที่ควรให้บังเกิดขึ้นหมายเอาสัญญาเก้าเนี่ยสัญญาในที่นี้เป็นชื่อของปัญญานะหมายถึงปัญญานีนะแต่ตพุทธพจน์ยกขึ้นในฐานะเป็นสัญญาจริงๆก็ยายานําหน้าทั้งคู่ยาตามหลังทั้งคู่นะ คือยายาเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างยาเฉยๆเนี่ยคือยาเนี่ยโดยศัพท์แปลว่ารู้รู้แบบไหนรู้แบบสังอุปสครคนำหน้าหรือรู้แบบวิอุปสรรคนำหน้าหรือรู้แบบปะนำหน้าสังเนี่ยโดยสัพท์แปลว่าพร้อมวิก็วิเศษเนี่ยนะวิเศษหรือประการต่างๆปะก็ทั่วหรือต่างๆนนเนี่ยนะ พังก็บอกว่ารู้พร้อมทีนี้โดยศัพ์ก็จะซ้อนขึ้นมาใช่ไหมอยอหญิงเนี่ยซ้อนยอขึ้นมาก็เป็นสัญญาตัววินก็ซ้อนยอหญิงขึ้นมาก็เป็นวิญญาก็นอนนอนเอนตามหลังปะก็ยอหญิงซ้อนอีกก็เป็นปัญญาใช่รู้รู้นะไม่ใช่รูปทีนี้ก็บอกว่ารู้ รู้แบบอะไรรู้แบบสัญญารู้แบบวิญญาณรู้แบบปัญญาก็เปรียบเทียบว่ารู้แบบสัญญาเนี่รู้แบบเด็กๆเห็นรู้แบบวิญญาณก็รู้แบบชาวบ้านรู้แบบปัญญาก็คือรู้แบบเฮรันยิกเฮรันยิกคืออะไรวอกเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ฮิรนนัยแปลว่าอะไรฮิรันยะทูนฮิรันยะซั์ฮิรัญยะเนี่ยฮิรันยะแปลว่าเงินเนี่ยนะเช่นไนงะฮิรัญยะนะแปลว่าเงินฮิรันยิก็คือพวกเจ้าหน้าที่การเงินอนะ่ะพวกดูแลเรื่องเงินนั่นเองอ่าเช่นว่าเอาเหรียญกระสาบขึ้นมาเนี่ยนะเอาเหรียญกรสาบขึ้นมาหนึ่งเหรียญ เด็กๆมันก็คือมองเห็นน่ยรูปร่างกลุ่มสันฐานลักษณะยังไงเนี่ยรู้ว่าในความสวยไม่สวยวิจิตพิสดารเนี่ยนะเด็กชาวบ้านทั่วๆไปะนะแต่ว่าเด็กอนุบาล น, นี่รู้แล้วนะเด็กแบบพูดแบบเด็กโบราณน่อะนะเห็นก็เห็นก็สีๆเนี่ยแต่ว่ายังแยกอะไรไม่ได้ถ้าแบบชาวบ้านก็คือรู้ไปกว่านั้นอีกรู้มูลค่ารู้การซื้อการขายการใช้สอยแต่ถ้าเฮรันยิกเนี่ยรู้ด้วยแม้กระทั่งกระดาษตัวนี้เอามาจากไหน ใช้กระดาษอะไรการพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่อะไรเป็นต้นนะรู้รายละเอียดเรื่องดำเนินว่าใครผู้ผลิตเงินโดยตรงเลยนะจะรู้ละเอียดขนาดนั้นนันก็รู้เหมือนกันแต่ความรู้ที่แตกต่างกันพะะนันก็บอกว่ารู้แบบสัญญาเนี่ยนะก็คือรู้รู้ทั่วๆไปแต่ถ้าแต่ก็ความรู้ไม่ถึงวิญญาณวิญญาณเนี่ยรู้จนถึงไตรลักษนณะ์นี แต่ไม่รู้ถึงมรรคผลสัญญาเนี่อรู้แต่ว่าไม่สามารถรู้ถึงไตรลักษณ์เนี่ยนะส่วนปัญญาเนี่อรู้ได้ถึงมรรครู้ได้ถึงมรรคผลเนี่ยนะที่เรียกว่าวิญญาณรู้ถึงไตรลักษณ์เนี่อรู้ยังไงเพราะญาณวิทย์ประยุทธ์ก็เจริญวิปัสนาได้ญาณวิทประยุทธ์ก็พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาได้ตามความชํนานาญที่ปัญญาเคยพิจารณามาก่อนเนี่ยนะ แต่ว่าในสัญญา9้าที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะทำที่ควรให้บังเกิดขึ้นหมายถึงรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะมันก็รู้ตั้งแต่ตราักษ์เป็นต้นไปหัวข้อในนี้เป็นเรื่องตรลยักษ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยตนะั้งแต่ข้อแรกใช่ไหมสัญญาว่าไม่งามเนี่ยนะอสุภาษสัญญาเนี่ยอสุภาษสัญญาเนี่ถ้าแบ่งโดยกลุ่มมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแบบ มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองอสุภาพมีวิญญาณครองคืออะไรคือกายยัคตาสติที่เราคุ้นเคยกันยนีผมคนเล็บฟันนงังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจไตพังผืด ม, ม้ามปอดพวกนี้ยทั้งหมดนี่เป็นอสุภาพที่มีวิญญาณครองแปลว่าอสุภาพในคนเป็นอ่ะนะกับอสุภาพในคนตายอสุภาพในคนตายก็ซากศพที่ตายได้สองสาวันเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองอ่ะนะ ถามว่าทำไมไม่เอาแบบตายแล้วก็ขึ้นอืดขึ้นตายแล้วอสุภาษิตเลยบอกไม่ใช่เพราะคนบางคนก็ศพที่ตายแป๊บเดียวถือว่าเป็นที่ชอบใจยอยู่เหมือนกันก็เอาแบบศพที่ตายแล้วขึ้นอืดขึ้นพองเขียวเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มาแหม่มันจะอืดก่อนตายอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็พอตายปั๊บก็อสุภาษิันทีเลยนะบางคนก็อสุภาษิไม่ทันตายนั่นแหละ น, นะนี่ก็กับซากศพทุกชนิดเนี่ยนะไหลไปจนถึงโน่นแหะ กระดูกแหลกเป็นผุยผงอ่ะนะเห็นเศษกระดูกหน่อยเนี่ยคนที่เจริญเนี่ยก็รู้ได้แล้วในความเป็นอสุภาษเนี่ยนะที่จริงเข้าไปวัดเนี่ยริมกาแพงวัดเนี่ยทั้งนั้นเลยนะมีชื่อประทับไว้ในนั้นนรู้ว่าอธิอธิกระดูกกระดูกและก็คิดเท่าด้วยนะแต่ถ้าเจริญใจถึงที่สุดนะเจริญเนี่อสุภาษถึงที่สุดเห็นแผ่นดินเนี่อสุภาทันทีเลย มีพระเถระอยู่รูปหนึ่งที่บอกว่าจงดูแผ่นดินวเช่นกระดูกเห็นกระดูกนี่เช่นกับแผ่นดินเนี่ยเปลือนกลาดกระจัดกระจายไปหมดเพราะฉนนั้เห็นแผ่นดินก็คือเห็นกระดูกนี่ยนะสิ่งเดียวกันก็บอกว่าอันนั้นถือหมายถึงเจริญถึงที่สุดแล้วนะสแสดงว่าหน้าเบื่อหน่ายมหาพูดไปเยอะเลยนะถ้าเจริญในขนาดนั้นนะแล้วแล้วก็อสุภาพมีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองอันนี้ควรเจริญนะควรทําให้เกิดขึ้นเลยนะให้ให้เป็นอัธยาสายเลยต้องให้เป็นแบบนี้เนี่ย วัตถุประสงค์ก็เพื่อละอะไรละตันหาเนี่ยละตละตันหาส่วนมรณะสัญญาเนี่ยนะอย่างที่สองสัญญาสําคัญหมายในความตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยคือสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วอะ่ะไอ้คนอยู่กับคนเป็นไหนมากกว่ากันเออคนอยู่กับคนเป็นกันเดียวกันอยู่แล้วเนะเ <c oughs> มาวังฟูดคนเดียวแล้วเนี่ย คนที่ตายไปแล้วกับคนที่เป็นอยู่ไหนมากกว่ากันคนที่ตายไปแล้วมากกว่าก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะไล่แต่คุณปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันที่จริงแล้วอ่ะมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าเอาแม่ของแม่แม่ของแม่แม่ของแม่เนี่ยนะเอาแผ่นดินเนี่ยมาปั้นเท่าเม็ดกระเบลเม็ดกระบบลก็เท่าเม็ดมะขามนั่นแหละแล้วอ่ะเนี่ยแม่จะเอาอีกเม็ดหนึ่งมาปั้นแม่ของแม่อีกเม็ดหนึ่งมาปั้น แม่ของแม่ของแม่ค้างกับไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะก็อะไรนะขึ้นต้นด้วยยายกันใช่ไหมแม่ของแม่เรียกว่ายายแม่ของยายเรียกว่าทวดแล้วแม่ของทวดเรียกว่าอะไรไม่ไหวเลยนะเขาตายกันหมดแล้วก็เลยจะเรียกไม่ค่อยบัญญัติศัพท์มาใช้กันก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เอาแผ่นดินเนี้ยมาปั้นปั้นปป้นบอกแผ่นดินหมดก่อนแม่ของแม่ของแม่ของแม่ยังไม่หมดเลยบ่างั้นมากขนาดนั้นหรือเอาไม้ในชมพูทวีปว่างั้นเถอะไม้แบบสมัยพุทธกาลไม้เยอะใช่ไหม เอาปู่หองปู่หองปู่เนี่ยมาวัดน่ะนะไม้สีนิ้วเนี่ยมาวัดเนี่ยนี่พ่ออ่ะนี่พ่อของพ่อนี่พ่อของปู่นี่พ่อของทวดเนี่ยไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆๆๆมันไม่มีจบมีสิน้นไม้หมดชมพูทวีปหมดเลยนะบอกถึงว่าโหมันยืดยาวเพราะฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วกับที่เหลือจะห่างกันขนาดไหนใช่ไหมบรรพบุรุษของเราไม่มีเหลือหมดเลยเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วย สัตว์ทั้งหลายที่จะตายด้วยข้างหน้าต่อไปนะโอ๊ยมีเท่าไหร่ก็ตายหมดนั่นแหละแล้วสัตว์ทั้งหลายที่กําลังตายอยู่ด้วยเนี่ยนะก็ขณะนี้ก็ตายกันทุกวินาทีไม่มีเว้นจากการตายของสัตว์เนี่ยนะแต่แล้ ว, ว, น, วนวินาทีเนี่ยไม่รู้ว่าปริมาณของสัตว์เนี่ยตายเท่าไหร่โดยเฉพาะสัตว์ในอบายเนี่ยตายมากนะมนุษย์ก็ตายไม่ใช่น้อยนะแต่ละวินาทีเนี่ยตายไม่ใช่น้อย วันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าประชากรร่วมหกพันล้านเนี่ยนะทั่วโลกหกพันล้านเนี่ยเกณฑ์เฉลีย่ยแล้วตายควรจะนาทีละกี่คนอย่างเงี้ยตายที่เกิดเนี่ยตกประมาณนานาทีละกี่คนเนี่ยนะอย่างน้อยหนึ่งวินาทีต้องตายหนึ่งคนใช่ไหยได้ไหมหมอสบายๆนะวินาทีละหนึ่งคนวินาทีละหนึ่งคนฮะฉันชั่วเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยโอ้ตายไปหลายศพแล้วตอนนี้นะไม่ใช่น้อยเลยอะ มันก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กําลังตายอยู่ด้วยแม้เราก็จักตายอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้อันนี้ก็เอามาคี้ให้มากๆหน่อยนะวันเราจะไปเมืองใดเมืองหนึ่งนะว่าโอ้โหเมืองเนี่ยคนตายไปแล้วกว็ามากที่เหลือนี้ก็จักตายทั้งหมดแล้วที่กําลังตายอยู่ตอนนี้ล่ะเราก็ตายไม่ใช่อะไรเราก็อย่าลืมว่าการพิจารณาอย่างนี้เพื่อละมารนณะเนี่ยนยวะวัตถุประสงค์ของมรณะสัญญาก็เพื่อละ มานะอันนี้ควรเจริญให้มากควรให้บังเกิดเลยนะไอ้ความคิดอันเนี้ยเพราะว่าคนที่มีมานะมากๆพวกนี้ไม่ค่อยตายหรอกอีกนอนเนี่ยนะไม่อยากตายไม่อยากตายแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตายด้วยนะลืมทําตัวลืมเนี่ยนะแต่มตายไม่ลืมเราหรอกเนี่ยนะทำเป็นลืมจริงที่ไหนได้นะแกล้งลืมจริงไม่ความตายไม่ลืมเรารอ้องท่านก็ให้เจริญให้มากๆนะพราะฉนถ้าคิดง่ายๆอย่างนี้นะ ก็เห็นใครสักคนหนึ่งก็บอกโอ้โ oh, หบรณฑพบุรุษของเขาเนะี่ยมีเท่าไรตายมาหมดแล้วแล้วเนี่ยรุ่นลูกรุ่นเลนรุ่นหลา น, ล น, ล น, ลนต่อไปทั้งน่าจะตายหมดและคนที่เรากําลังเห็นจะไปเหลือได้ยังไงไอคนคิดก็จะตายไม่ใช่จะอยู่นะก็คิดอย่างนี้ตลอดให้มากมากาคิดอย่างนี้บ่อยๆก็ละอัสมิมานะได้นี่ต่อไปก็สําคัญหมายว่าอาหารเนี่ยเป็นของปฏิกูลอาหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าพูดถึงกระบวนฝ่ายผลิตนเนี่ยนะ ปฏิกูลตั้งแต่สแสวงหาอาหารจริงเขาเขามีปฏิกูลตั้งแต่การไปถ้าไล่แบบพระภิกษุนะปฏิกูลตั้งแต่การไปการสแสวงหาการบริโภคนะแล้วก็ที่ฝังอาหารยังไม่ย่อยย่อยแล้วที่ดูดซึมเลี้ยงร่างกายออกมาเป็นผลใน น, น, นเข้าทวารเดียวออกทวารเก้าแล้วก็มาแปดเปื้อนโดยประการต่างๆเนี่ยก็พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแบบชาวบ้านเนี่ยอาหารปฏิกูลขนาดไหน เริ่มตั้งแต่พาะปลูกเลยใช่ไหมเอาเมล็ดพันธุ์ไปพาะปลูกเนี่ยเงือทั้งนั้นน่ะนะมีอะไรมั่งที่เงือไม่ออกแล้วนะวัตถุนั้นมันออกมาเลยอะ่ะก็กลุ่มไมยราบมั้งนะไอ้พันต้นไม้ที่ไม่วัตถุประสงค์เนี่ยนะไมยราบยากเน่จังวินิจที่ขึ้นแล้วตายากอะ่ะขึ้นง่ายตายากเลยนะไอ้กลุ่มนั้นแหละมั้งแต่ผักบุ้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะผักไม่สุดผักบุ้งนี่ก็ยังเงือออกเลยอะ่ะ มีอะไรบ้างที่ทเหงือไม่ซึมแล้วได้กินสบายสบายเลยนะไม่มีก็เริ่มปฏิกูลตั้งไงเหงือเข้าไปผลิตแลนะ้วไงแล้วผักปะถ้าผักเนี่ยเขาใช้อะไรรดก็ใช้อุจาระคนนั่นแหละไปรดเนี่ยนะถ้ายางพืชผักอย่างดีเขาก็ใช้อุจาระวัวอุจระควายเนี่ยนะเขาเรียกมูลนะไม่ได้อุจาระเรียกมูล ว, วัวมูลควายมูลสัตว์เนี่ยมาเพาะมาปลูกอันนั้นโอ้โหอย่างดีแต่อีกส่วนหนึ่งก็เอามูลคนเนี่ยไปรด มูลคนเนี่ยงามกว่ามูลสัตว์เหมือนกันนะก็เลยรถกันอั น, นนะที่อาหารว่าโอ้โหสดบนจานทั้งหลายแหล่นี่เอามูลคนนั่นแหละรสทั น, นที่รถเชา้าอ่ะ น, นะรถเย็นเนี่ยเช้าก็มาสบัดสบัดน้ําก็มาวางผักสดให้เราอืจุ่มๆอะไรหนะ่อยแล้วก็เคี้ยวกรอบอร่อยมากนะที่ไหนได้ไม่รู้เบื้องหลังการผลิตมีอยู่ที่หนึ่งโยมก็มาปลูกพักปลูกผักหลังวัดนั่นแหละก็ตักส้วมวัดนั่นแหละรสอ่ะ แล้วก็พักเลยไอ้ฝาส่วนมาเปิดเนี่ยไปดู่ทั้งนั่นเลยทั้งแทบเลยทั้งเครื่องเลยอ่ะก็มันต้นทุนมันถูกที่สุดแล้วอเ น, นี่ยไกลด้วยรถง่ายด้วยนะ้ก็เพาะปลูกสบายห ม, นยนมุนระบบะะะอ่ะนะประหยัดหน้าดูเลยเนี่ยจริงโอ้โหเก่งมากอนะประหยัดหน้าดูเลยนะคนไทยเรานี่แหละไม่ใช่จีนเมืองจีนนี่ก็เก่งเหมือนกันเลยนะระบบเดียวกันหมด ทีนี้พืชผักเรานี่นะอันนี้นี่พูดถึงพืชผักนะแล้วข้าวล่ะข้าวนี่ก็ใช้ใช้พวกปุ๋ยเนี่ยนะมูลโคมูลสัตว์อะไรเหมือนกันเงือแตกตั้งแต่เริ่มเพาะแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ไถแลไถ ท, ที่นี่ก็เงือชุม่มเงือทนะ่วมแลเนี่ยนะบอกเสื้อชาวนาเนี่ยไม่ซักนี่ขึ้นที่เกลือหมดนะอ่ะนะตั้งแต่ไถวานถอนกล้าปักดําแล้วก็ฆ่าศัตรูศัตรูพืชอีกทีเนี่ยนะ ฆ่าพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างเขาฉีดยาแล้วก็ฆ่าปูฆ่าปูเนี่ยปูเนี่ยปริมาณไม่รู้มาจากไหนมันมากจริงๆมากจนว่าคูนหนึ่งเนี่ยตัดต้นข้าวได้เป็นไร่อ่ะใช้กันไก่ของมันเนี่ยกัดกับกับเนี่ยเช้าเราไปเห็นนีเต้นเป็นไร่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เอาข้าวแห้งๆอะข้าวข้าวข้าวแห้งอะนะไปแช่น้ําแล้วก็ผสมยาฆ่าปู ก็เลยเอาไปหวานหวานแล้วก็อีกพักปูก็ตายนอนเป็นแพรเลยนะเต็มไปหมดเลยกลิ่นเหม็นเข่าวร่คลุ้งท้องน้าหมดนั่นนี่นี่กว่าจะเก็บกันนั้กว่าจะเกี่ยวเกี่ยวก็โอ้เงื้อท่วมมิกเอาไปนวดติ่ก็เงื้อท่วมมิันัะขนเอาไปสีก็เงื้อท่วมหมดนีโอ้กว่าจะได้มากินเนี่ยนะขนาดแม่ครัวมีข้าวสารมาให้แล้วเวลาจะกว่าจะหุงเสร็จนี่ยังเงื้อท่วมเลย ถ้าเปิดแอร์ก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าหน้าครัวนี่มันไม่ค่อยเย็นขนาดนั้นหรอกห้องแอร์ก็แอร์เถอะงั้นมันก็กว่าจะมาเป็นอาหารเนี่ยนะกว่าจะมาโ้นหนึ่งถ้วยเนี่ยปฏิกูลมากเลยนะถ้าคิดไปให้ละเอียดรอบครอบเลยงั้นแล้วก็มาบริโภคกันนะเริ่มปฏิกูลตั้งแต่เริ่มเที่ยวส่อแสวงหาเนี่ยนะถ้าเป็นทั่วๆไปก็ปฏิกูลตั้งแต่ไปจ่ายตลาดเลยใช่ไหมตลาดสดนี่หอมหอมเป็นไงนนไหมเป็นเลยนะขามากเลย ไม่รู้สารพัดอะไรนั่นนันมังก็ไม่รู้เมื่อไรจะล้างตลาดทีก็ไม่รู้เนี่ยมันก็กลิ่นปฏิกูลนั่งไปจ่ายตลาดแล้วก็มาบริโภคเนี่นะถ้าทักที่ถือหน่อยเนี่ยนะก็ต้องมีช้อนกลางนะมันมีช้อนกลางบางคนก็ทานแทบไม่ลงอ่ะนะปฏิกูลนัเริ่มตักบริโภคขึ้นมาแล้วมาเคี้ยวเป็นคำคำอ่ะนะถ้าใครเคี้ยวด้วยพูดด้วยเนี่ยกระเด็นออกมาจากปากเลยโอ้ปฏิกูลมากเนี่ยนะ แล้วก็กลืนลงไปเนี่ยเขาบอกว่ากับพ่อก็ไม่เคยล้างมากี่ปีแล้วอะ่ะเกิดมาอายุเท่าไหร่ก็ไม่เคยล้างกับพ่อมาเท่านั้นเลยไม่รู้จัก อ, อะไรไปล้างอ่ะนะก็ก็ปฏิกูลตามนั้นแหละแล้วอาหารที่อยู่เนี่ยบางคนเนี่ยทานตั้งหลายวันแล้วไม่ย่อยสักทีหนึ่งอ่ะนะไอตัวนั้นจะปฏิกูลขนาดไหนน ะ, นะยังไม่ย่อยก็ปฏิกูลย่อยเสร็จเน่ยนะดูดไส้ในลำไส้ก็ปฏิกูลเนีย่ยนะทีนี้พอดูดซึมเสร็จมันก็ออกมาผลผลใช่ไหมผลก็มาหล่อเลี้ยงร่างกาย บางส่วนก็ไหลทิ้งทวาวรตาบ้างบางส่วนก็ไหลทิ้งทวาวรหูบ้างไหลทิ้งทวาวรจมูกทวาวรลิ้นถาวรกายถาวรอันนั้นถาวเหงื่อเนี่ยสรุปว่ามันไหลออกหมดอ่ะก็ปฏิกูลไหลออกแต่ละไอ้ของที่ปฏิกูลที่ไหลออกมาเนี่ห้ามเปื้อนเด็ดขาดเปื้อนตรงไหนคนก็รังเกียจตรงนั้นอ่ะนะไหลเปื้อนผ้าก็ผ้าก็หน้ารังเกียจไหลเปื้อนตรงไหนรังเกียจหมดท่อนที่ไหลออกเนี่ยเขาบอกคนเนี่ยรังเกียจค่อนข้าง ติดห้องน้ำนะแต่ก็รังเกียจห้องน้ำขาดห้องน้ำไม่ได้แต่ว่ารังเกียจห้องน้ำเลยอันผลก็ไหลไปเป็นห้องน้ำนะจูห้องน้ำ๋ยวเขาก็ตักาไปรถใหม่ตัมาระบบหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนั้นพวกที่ติดมหาพูดก็อย่างนี้แหละงั้นถ้าพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลเนี่ยกายเนี่ยดำรงอยู่ด้วยด้วยอาหารทั้งหลายก็อยู่ยานี้ใช้อะไรมาผลิตส่วนใหญ่ ใช้ของปฏิกูลหรือของสะอาดมาที่สะอาดโดยมากกา็เรียกว่าผ่านความร้อนอย่างเดียวมันเรียกว่าสะอาดใช่ไหมโดยทั่วๆไปนะแต่ว่าต้นตต้นเดิมพวกมันก็ปฏิกูลทั้งหมดนั่นแหละมีของสะอาดอะไรหรอกอันผลผลิตอะไรก็ตามถ้าหลุดไปจากร่างกายเนี่ยนะไม่มีดีสักอย่างปฏิกูลหมดเลย อย่างแม้กระทั่งฟันเนี่ยนะถ้าไม้โบ ร, ราณเขายัางช่วยนะเอาฟันพ่อฟันแม่มาแขวนคอบ่างนะสมัยใหม่นี่ไม่เอากันเลินนะไม่มีนทิ้งหมดแล้วแล้วก็จริงๆก็เป็นผลพวงของอาหารเนี่ยนะถ้าศึกษาเรื่องอย่างนี้มากแม้กระทั่งอาบน้ํำนี่ก็จะเห็นความเป็นปฏิกูลของน้ําหมือนนะสมมุติว่าถ้าเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะ โอ้หไหลไปตั้งกับภาพเหนือยยังไงไหลไปในเชียงใหม่นะไม่รู้ผ่านมากี่ตรอกกี่ซอกกี่ซอยเมืองไปกี่เมืองโรงพยาบาลไปกี่แหง่งแล้วก็ไม่รู้น้ําอะไรเทลงไปในนั้นบ้างนะผสมคละเคล้ากันไปกว่าจะไปเป็นน้ำโอ้โหให้ใช้อ่ะยังไงบางทีอาบอาบน้ําอยู่ศพยังลอยมาทุบ ป, ปังทุบ ป, ปังกันเลยนะก็แล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะก็เอาน้ํานั้นนะ่ะมากลั่นกรองหน่อยอาเรียกว่าน้ําอะไร น้ำปลาก็ดื่มไปใช้ไปกินไปอะไรไปกลั่นไปก็โอ้น้ําสะอาดมากะใช่ก็ไม่รู้อะไรในโลกนี้เป็นเครื่องวัดว่าสะอาดก็ไม่รู้นีนะ่ก็มันผ่านมุนเวียนเปลี่ยนกันไปหมดอ่นะแต่ถ้าคิดอย่างนี้มากมันดีตรงไหนเอะ่ะปฏิกรูนนะพระองค์บอกว่าให้ควรให้เกิดขึ้นนะสัญญาเหล่านี้นะสัญญาเหล่านี้ควรให้มีควรให้เกิด ต้องทําให้เกิดอย่างนั้นอนะ่ะต้องทำให้เกิดขึ้นเพราะเพราะมีอุปการะมากที่จะออกจากวัตะวตะเนี่ยนะวัตตะจริงๆคืออะไรที่เราติดข้องอ่ะนะก็คือเนี่ยมหาพูดทั้งหลายนั่นแหละติดมหาพูดก็เลยต้องอยู่กับมหาพูดเนี่ยนะยันบริโภคอาหารไปแต่ละมื้อก็บริโภคมหาพูดนั่นแหละมหาพูดนี่มีหลายความหมายเลยมหาพูดสัพท์หนึ่งหมายถึงว่ามหาผี มหาพูดเีกในหนึ่งบอกมาหาวิการเนี่ยนะนะมาหาวิการก็แปลว่าสิ่งที่เสียหายใหญ่มากแตกคาลาใหญ่มากแล้วก็มาหาปริหาระมาหาบริหารเนี่ยนะนะโอ้บริหารขนาดไหนนะี่ชีวิตของของเราเองเนี่ยที่บริหารร่างกายเนี่ยอ้ยบริหารก็บริหารดีขนาดนั้นมันยังกัดเอาอี ก, ก น, นะประกอบจากมาหาพูดมันก็เป็นมาหางูเห่าแล้วันนี้ โยมเขาเขียนจดหมายมาบอกว่าโอ๊ยตอนนี้อสรพิษมันกัดเจ็บมากว่าน้นธรรมะลืมหมดเลยปวดเข่ามันกัดที่หัวเข่าว่างั้นเอะก็ปวดมากปวดอย่างไม่เคยปวดมาก่อนเลยในชีวิตว่างั้นนึกธรรมะไม่ออกเลยนะถ้าคนอื่นพูดนี่เราก็อาจจะนึกคงปวดมากแต่คนที่เขียนมาเนี่ยนะมีความรู้ทางทำอย่างดีบอกว่าปวดขนาดนี้นึกธรรมะไม่ได้นี่ก็คนอื่นก็น่าคิดเหมือนกัน แล้วคนนี้เขาอยู่กับธรรมะ ม, มาหลายสิปีแล้วเนี่ยนะเราอยู่กับกองแห่งธรรมะเลยอาชีพเดียวเนี่ยขนาดนั้นบอกมายังยังปวดลืมหมดเลยว่างั้นเนี่ยนะมันก็มหาพูดนั้นมันกัดเอาอ่ะเธอถ้าจะปวดเขานะต้องเงื่อนไขเขาต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายญวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดทุกขเวทนาเนี่ยนะมันก็เจอมหาพูดคือถ้าแล้วแต่ว่าถ้า ถ้าปวดเข่านี้อะไรเป็นโพธพารมชนิดไหนคุณหมอเป็นเตโชโพธพารมหรือปัทวีผมมาเชื่อว่าเป็นเตโชเห็นไหมเตโชนะีเป็นความร้อนน่ะนะนเป็นเป็ น, แ, นแต่ถ้าถ้าแบบไขข้อเสื่อมน้ําไขข้อเสื่อมก็ปัทวีใช่ไหมกระดูกชนกระดูกก็ปัทวี อยู่ด้วยกันแต่ว่าตัวที่แล้วแต่เรามานตร ก, การถ้าถ้าตัวปวดที่ผมเคยปวดกวมันเป็นนะอาโปนะราะอาโปไม่ปวดตัวมันเนี่ยมันเป็นน้เนี่ยออตัวพิษที่ <A po. S 1> อยู่กับอาโปเนี่ยนะอ๋อถ้าถ้าเป็นอาโปเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มอย่างที่คุณชุอม่มว่าอาโปแบบสสัมภาราอาโปแต่ในสสัมภาราอาปก็มีปทวีมีเตโชมีวายโย ใช่ใชคือแต่นี้พูดถึงโดยลักษณะนะ<ม>พูดโดยลักษณะก็เท่าที่ฟังดูแล้วก็จะเป็นเตโชเป็นส่วนมา ก, กนะที่เจ็บปวดมากอนะเป็นตัวเตโชเป็นส่วนใหญ่เพราะที่ผมปวดเนี่ยเวลา<ม>เวลาเขฉีดเข้าไปมันตอเขาไปแป๊บเดียวนะก็คือตะกลมในในโรคนี้ที่มันปวดที่สุดนะโรคโรคอะไรทำให้ปวดที่สุดหมอถ้าเคยฟังฟังมานะ เจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะอะไรอันดับต้นๆนเปเลือดเลือดอ อ, อ, อ, อ, อ, อ, ออกในช่องหุ้มสมองอ๋อเลือดออกในช่องหุ้มสมองเนี่ยปวดที่สุดใช่ไหมปวดที่สุดรองลงมาก็หัวใจหัวใจกับกระดูกันไหนปวดกันไหมูกหัวใจปวดมากกว่า น, นะมันปวดด้วยโทรอ๋อปวดด้วยโทรศด้วยปวดใจมากกว่าใช่ <laughs> นี่ก็แต่ว่ามหาพูดทั้งนั้นน่ะนะที่อยู่ในกายเนี่ยอยู่วันดีคืนดีนี่ถ้าลองมันกัดดูเธอะอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ลองมันกัดนะไอสิ่งที่เราว่ามันดีดีเนี่ยนะอันนั่นแหละถ้าลองมันกัดดูเอเนี๋ยนะเจ็บแสบปวดร้อนหมดเลยทำไ ง, งทำไงเอาแล้วอาทำใจเอานะอ ทำยังไงอ่ะลอ ง, องลองบอกวิธีดิคุณววลาวันช่วยบอกวิธีทําใจว่าถ้าอสรพิษกัดเนี่ยนะจะทํายังไงเนี่ยเลยวิธีโอ้ยลึกซึ้งมากเส า, าหน้าไหมให้เวลาทีหนึ่งเลยขนาดโยมที่ว่าเนี่ยยังนึกธรรมะอะไรไม่ออกเลยปาสุรีนะนะต้องแล้วแต่เขาเรียน <c oughs> บอกตอนนี้ขยับตัวไม่ได้เลยแต่ก็ยังเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ได้อยู่นะยังทาหนังสือธรรมะต่อได้แต่ว่ายเดินไม่ได้ เ, เดินจะลงบันไดเดินไม่ได้แล้วเมื่อก่อนก็ได้ยินแต่อาจารย์เกตมาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าไอชักไม่ไหวแล้วนะเนียเดินขึ้นกุฏิไม่ไหวแล้วงั้นเขาคิดจะกูดแย่หน่อยธรรมะกัะสปาร้อยสบเนี่ยนะพักอยู่บนเขาคิ้จกูดนั่นแหละลงมาบินทบาทุกวันเนี่ย โอสุขภาพต่างกันมากอนะ น, น, ออนะนะะไปดูเองอะ่ะไปดูเองภาวะอันนี้ต้องรู้เฉพาะตนเ ล, ล <c oughs> เล่าได้แต่ว่าอยากให้ไปดูเองดีกว่า